วันนี้ก็เป็นวันพระวันพระนี้จะตรงกับวันขึ้นแรมแปดข้า1สิบห้าข้ามหรือสิบสี่ข้าในบางเดือนเราสมัยก่อนใช้ปฏิทินทางจันทรคติคือไม่ได้ใช้ตามสุริยคติอย่างที่เราใช้กันในตอนนี้ตอนนี้เราใช้วัน อารอังคารพูดพระหลาชสุขสาวาทิตย์โบราณเราดูตามโคโจรของวงของพระจันพระจัน์มีขึ้นแล้วก็มีแรมขึ้นก็คือสว่างขึ้นมาทีลเนิเล็กเทียน้อยแรมก็ค่อยค่อยดับไปทีลเเล็กเทียน้อยวันนี้แรมสิบห้าข ก็เป็นวันพระจันทร์มืดเต็มที่คืนนี้ถ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะไม่เห็นแสงพระจันทร์และเดี๋ยวพ่กนี้ก็จะพวกนี้ก็จะขึ้นหนึ่งคำขึ้นไปเรื่อยๆถึงสิบห้าค่ำก็จะเป็นพระจันทร์เต็มดวงขึ้นสิบห้าค่ำก็เต็มดวงแลมสิบห้าค่าก็ดับไม่มีแสงจันทร์ สมัยโบราณก็เลยดูเวลาวันนี้ทดลองเครื่องใหม่เดี๋ยวห้ช่างเขาปรับปรับหน่อยเดือนหนึ่งก็แบ่งไว้สี่วันเรียกว่าวันธรร ม, มัฒน์วนะวันฟังธรรมเราเรียกสั้นๆว่าวันพระเพื่อที่เราจะได้ หยุดภารกิจการงานหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายแล้วมาวัดเพื่อมาศึกษามาหาความสุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขทางจิตใจความสุขทางจิตใจเป็นความสุขที่ดีกว่ามีน้ําหนักมากกว่าและเป็นความสุขที่ติดตัวไปกับเรา ความสุขทางร่างกายจะอยู่อยู่กับร่างกายพอร่างกายหมดสภาพความสุขที่ได้รับก็จะหมดสภาพไปร่างกายต่อไปก็ต้องแก่ไปตามลำดับแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดี เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีกำลังที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ความว้าเหวแต่ถ้าเรามาห า, หาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะยังมีความสามารถที่จะหาความสุขได้ ความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ต้องใช้การปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่จะทำให้ใจของเรามีความสงบพอใจสงบใจของเราก็จะมีความสุขมีความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเพราะเป็นความสุขที่มีน้าหนักมากกว่า แล้วก็อยู่นานกว่าความสุขทางร่างกายแล้วตายไปก็เอาความสุขนี้ติดตัวไปได้ด้วยความสุขทางร่างกายพอร่างกายตายไปก็เอาไปไม่ได้เลย mm hmm. ก็จะเอาแต่ความว้าเหวไปเอาแต่ความเศร้าโศกเสียใจไปแต่ถ้ามีความสุขทางใจเวลาร่างกายตายไปใจก็จะมีความสุขติดตัวไป ทำให้ใจไปสู่ที่ที่ดีที่ชอบที่มีแต่ความสุขมากแต่มากกว่าความทุกข์ถ้าเราไม่ได้มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันมัวแต่ใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆหาเงินหาทองเพื่อจะได้ เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปไม่มีความสุขติดตัวไปมีแต่ความทุกข์ติดตัวไปเพราะพอเราไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายเราก็จะทุกข์กันดังนั้นวันพระจึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้เรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน หาความสุขทางใจที่เราจะพึ่งได้เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็ยังไม่สามารถมีความสุขได้ละมีความสุขที่ดีกว่าที่มีน้ำหนักมากกว่าถ้าเปรียบเทียบความสุขทางร่างกายก็เป็นเหมือนอาหารว่างเป็นขนมอะไรพวกนี้กินเข้าไป ก็ไม่อิ่มเหมือนกับกินอาหารหนักเช่นกินข้าวกินผักกินเนื้อกินอะไรต่างๆนี่คือความหมายของวันพระวันพระให้เราหยุดการหาเงินหาทองหาความสุขทางร่างกายกันหนึ่งวันแล้วมาหาความสุขทางใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะธรรมเหล่านี้จะทำให้ใจเรามีความสุขทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความพอทำให้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งแต่ตอนต้นเวลาเราทำเราจะรู้สึกว่ามันยากเพราะามันเป็น สิ่งที่เราไม่ถนัดกันเหมือนกับเราเปลี่ยนมือเปลี่ยนการใช้มือจากการใช้มือที่ที่ถนัดมาใช้มือที่ไม่ถนัดเวลาใช้มือที่ไม่ถนัดเราก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกแปลกๆรู้สึกยากแต่ถ้าเราลองหัดทาไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะถนัดเราก็จะสามารถใช้มือ ที่เราไม่ถนัดได้เพราะมือที่เราถนัดต่อไปอาจจะเสียเช่นคนที่เสียมือที่เขาถนัดไปหรือมือที่เขาไม่ถนัดเขาก็ต้องหัดใช้มือที่ไม่ถนัดพอหัดใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็ชํานาญมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกับใช้มือที่ถนัดทันใดการเปลี่ยนวิธีหาความสุขก็เหมือนกัน ระยะตอนต้นนี้มันจะรู้สึกขัดขัดยังไงไม่ทราบาทำแล้วไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ถ้าเราฝืนทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดผลต่อไปมันก็จะเกิดความสุขขึ้นม า, อาขอให้เราพยายามกันขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็น อนาคตของพวกเราเห็นอนาคตของร่างกายของพวกเราว่าต่อไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บแลวจะต้องตายไปร่างกายจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราไปได้ตลอดแต่พระองค์ทรงค้นพบสิ่งที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ตลอดก็คือธรรมะธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างกันเนี่ยสอนให้เราทาบุญทาทานอันนี้ก็เป็นธรรมะ สอนให้เรารักษาศีลสอนให้เรานั่งสมาธิสอนให้เราฟังเทศฟังธรรมถ้าเรามีธรรมเหล่านี้เราจะมีที่พึ่งที่เรียกว่าธรรมังสรนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าก็พึ่งธรรมังสรนรังกัจฉามิพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกก็พึ่งธรรมังสารนังกัจฉามิจึงทำให้พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์ ไม่ต้องกลับมาทุกข์เหมือนทุกข์เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายเพราะท่านมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะให้ความสุขก็เลยไม่ต้องมีร่างกายพวกที่ยังไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งก็ยังต้องพึ่งร่างกายให้ความสุขพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ หาความสุขต่อไปแต่ร่างกายนอกจากหาความสุขให้กับเราแล้วมันก็หาความทุกข์ให้กับเราด้วยเพราะการมีร่างกายก็ไม่ใช่เป็นของที่จะสุขไปตลอดการดำรงชีพการเลี้ยงดูร่างกายก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะต้องดินนนนหาเงินห า, หาอาหารหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกาย หาปัจจัยสี่หาอาหารหาเครื่องนุ่มหอมหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายไปหาความสุขอีกต่อหนึ่งพอร่างกายแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์เราก็สามารถไปเที่ยวกันได้ไปหาความสุขจากการไปเที่ยวหาความสุขจากการไปดู ไปฟังมหัศลศกบันเทิงอะไรต่างๆเราก็มีความสุขกันในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์แต่ธรรมชาติของร่างกายมันไม่แข็งแรงมันไม่สมบูรณ์ไปตลอดมันจะต้องมีวันเสื่อมมันจะต้องมีวันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วพอมันไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงมันก็จะไม่สามารถ หาความสุขให้ได้เท่าที่เคยหาได้พอไม่มีความสุขเราก็จะเกิดความทุกข์กันขึ้นมาดังนั้นเราไม่ควรที่จะพิ่งร่างกายไปเพียงอย่างเดียวควรจะมีอย่างอื่นมาสำรองเหมือนบางทีสบายนี้เรามีรถบางทีเราต้องมีสองคันมีคันนึงไว้เผื่ อ, อคันอนึางเสียเราก็จะได้มีอีกคันหนึ่งใช้ได้ ถ้ามีคันเดียวเกิดคันนี้เสียก็ไม่มีรถใช้ถ้ามีสองคันมันก็มีอะไรที่เราจ ะ, ะทดแทนกันได้เรามีของบังยะส่วนใหญ่เลยนี่เรามักจะมีของสำรองกันโทรศัพท์ก็มีคนละสองเครื่องกันพอเครื่องนี้เสียก็จะได้มีเครื่องหนึ่งใช้ของอะไรที่เราต้องใช้เป็นประจำนี้เรามักจะมีสำรองกันไว้เสมอ เราก็รู้ว่าของมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนของต่างๆมันมีวันเสียได้พอมันเสียมันก็ทำให้เราลาบากไม่สามารถทำอะไรสะดุดเร็ดเร็วคล่องแคล่วเหมือนกับเวลาที่มีของต่างๆใช้เราจึงมักจะต้องมีของสำรองไว้แต่ความสุขนี้เราไม่มีของสำรองกันเรามีร่างกายเพียงอันเดียว พอร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถหาความสุขหาอย่างอื่นมามาหาความสุขให้กับเราได้ใช้อย่างอื่นมาหาความสุขให้กับเราได้พอเราไม่รู้ว่ามีความสุขมีสิ่งที่สามารถหาความสุขให้แทนร่างกายได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าถาวรกว่าเป็นความสุขที่ถ้าเรา หาเป็นแล้วเราจะสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะการหาความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ธรรมะใช้ศีลสมาธิปัญญาเงินทองไม่มีทาบุญก็ไม่ต้องทำถ้ามีก็ทาไปก็ดี ถ้าไม่มีเงินทองไม่ต้องทําบุญก็ได้ขอให้รักษาศีลให้ได้ก็แล้วกันขอให้นั่งสมาธิให้ได้สาเหตุที่เราต้องรักษาศีลเพราะว่าศีลจะช่วยทําให้เรานั่งสมาธิกันได้ถ้าเราไม่มีศีลเราจะนั่งสมาธิไม่ไม่ค่อยได้กันเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีศีลเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิศีลที่พูดนี้หมายถึงศีลแปดขึ้นไปนะ ศีลห้านี้ยังไม่สามารถที่จะช่วยเราในการนั่งสมาธิได้เพราะศีลห้าไม่ห้ามให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าถืาถอศีลแปลนี้จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำอย่างเดียวให้มานั่งสมาธิให้มาเดินจงกรมให้ฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าเราถือศีลห้าเราก็ยังไปงานเลี้ยงได้เช่นคืนนี้เรามีงานเลี้ยงเราก็ไปได้ เราจะดูละครก็ดูได้จะไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆก็ไปได้แต่ถ้าถือศีลแปดนี้ก็ห้ามไม่ไปทํากิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้เราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันมาทําใจให้สงบกันเพราะเวลาใจเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เป็นความสุขที่เหนือกว่าการได้เงินทองมากมายกายกองเป็นความสุขที่เหนือกว่าการได้ตำแหน่งได้ยศอะไรต่างๆเป็นความสุขที่เหนือกว่าการได้รับการสรรเสริญเยนยอยกย่องเช่นได้ใบประกาศเมื่อกี้นี้ใบประกาศชั้นเยียบัตร เ, เกียรตินิยม เ, ยเวลาได้เราก็รู้สึกมีความสุขแต่ถ้าลองได้นั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้ว เราจะมีความสุขมากกว่าการได้รับเกียรตินิยมเกียรติได้รับการยกย่องอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ดูถึงจะรู้จริงพูดไปก็อาจจะว่าเหมือนโกหกแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครพระอริยสงสาวกไม่เคยโกหกใครพูดความจริงแต่ความจริงที่พวกเรายังเข้ากันไม่ถึง ฟังแล้วก็เหมือนกับโมฟังแล้วเหมือนกับว่าโอ้อวดแต่ถ้าเราลองได้ปฏิบัติดูเราลองได้สัมผัสดูได้ผลจากการนั่งสมาธิดูเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์ซนตเราจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้โอ้อวดเลยพูดตามความเป็นจริงที่ทรงตรัสว่านัตสันติบาลังสุ ข, ขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี อันนี้เป็นคาพูดของพพระพุทธเจ้านัตถิแปล ว, ว่าไม่มีนัตติสันติปาลังสุขขังสันติแปล ว, ว่าความสงบปาลังสุขขังความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีความอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วความสุขนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้าน ไม่ได้ไม่ต้องมามีตำแหน่งใหญ่โตเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกเป็นประธาน า, าธิบดีไม่ต้องได้รับรางวัลโนเบลอะไรต่างๆอันนี้เพียงแต่นั่งเฉยๆทำใจให้สงบหยุดหยุดคิดให้ได้เท่านั้นเองพอใจหยุดคิดแล้วใจสงบแล้วก็จะได้ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนเลย พวกเราทุกคนนี่มีของดีอยู่ในตัวเราแต่กิเลสคืออวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงมันหลอกให้เราไปหาความสุขนอกตัวเราของดีของวิเศษมีอยู่ในตัวเราเรากลับไม่รู้กันไม่หากันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ยังจะไม่รู้กันเราก็ยังจะไปหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลินกายกันไปอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงสุขแบบสุขแบบสุขสุขดิบๆได้มาสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้อีกละพออยากจะได้สุขที่ได้มาก็หายไปแล้ะต้องไปหาสุขใหม่มาเติมแล้วถ้าสิ่งที่เราได้มาเสียไปจากเราไปก็ร้องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจอีก เวลาเสื่อมลาบเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์เวลาเสื่อมยศเสื่อมสรรลเสริอมเนี่ยแทนที่จะมีคนยกย่องสรรลเสริญกับมีคนตำหนิเตเจียนกฆาลหานินทาเนี่ยพอได้ยินคําติเตียนกฆาลหานินทาใจเราก็ทุกข์แหละนี่คือความสุขทางโลกที่เรียกโล ก, กธรรมมีอยู่สี่คู่ลาบยศสรรเสริญสุข มีเจริญมีเสื่อมมีเจริมีลาบก็มีการเจริญลาบมีเสื่อมเจริญลาบได้ก็เสื่อมลาบได้เจริญยศก็เสื่อมยศได้สรรเสริญก็มีนินทาสุขก็มีทุกข์สุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่เราไปเที่ยวกันเราก็มีความสุขกันพอเรากลับมาอยู่บ้าน พ, พักเดี๋ยวเราก็ทุกข์กันอยู่ไม่ได้ว้ Huawei, เาเวเน ต้องออกไปเที่ยวกันนี่คือความสุขที่พวกเราหากันเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาเป็นเงาตามตัวความสุขเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ถาวรมันมีเจริญแล้วมันก็ต้องมีการเสื่อมเวลาเจริญเราก็สุขกันเวลาเสื่อมเราก็ทุกข์กันแต่ความสุขทางใจที่ได้จากความสงบนี้ ถ้าเราจเจริญมันแล้วเราจะสามารถรักษาให้มันจเจริญไปได้เรื่อยๆมันจะไม่มีวันเสื่อมนอกจากเราขี้เกียจแล้วเราไม่รักษาเราไม่คอยมันจเจริญอยู่เรื่อยมันก็เสื่อมได้แต่ถ้าเราจเจริญแล้วเราเราหมั่นรักษาไว้เรื่อยๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะไปถึงขีดที่มันไม่เสื่อมความสงบ นีมีสองระดับระดับที่ยังเสื่อมได้กับระดับที่ยังไม่ที่ไม่มีวันเสื่อมะระดับที่เสื่อมก็คือระดับสมาธิที่เรานั่งกันนี้ mm hmm. เวลานั่งสมาธิจิตก็สงบมีความสุขแต่พอเราออกจากสมาธิมาความสงบนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปแต่ถ้าเราอยากจะได้คืนมาเราก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ต้องคอยนั่งบนั่งอยู่เรื่อย เวลามันหมดก็ต้องกลับไปนั่งแต่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขระดับนี้คือความสุขที่เรียกว่านิพพานอันนี้เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นความสุขที่ได้จากการใช้ปัญญาถ้าเราใช้สติเราจะได้สมาธิเป็นความสงบที่ยังยังเสื่อมได้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาสร้างความสงบนี้ จะไม่มีวันเสื่อมเพราะว่าปัญญานี้ใช้สร้างความความสงบด้วยการทําลายเหตุที่ทําให้ใจไม่สงบเหตุที่ทําให้ใจไม่สงบก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้าเราใช้สติเราก็เพียงกดความโลภความอยากไว้เหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าเวลาเราหินทับหญ้านี้ หญ้าก็ขึ้นไม่ได้แต่พอเราเอาหินออกหญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะยังไม่ได้ถอนรากของหญ้ากออกจากดินครับแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยเราจะถอนรากของของหญ้ากออกจากดินพอถอนรา ก, อากถอนหญ้าถอนหญ้าออกจากดินแล้วหญ้าก็ต้องตายมันก็จะไม่มีวันงอกเงยขึ้นมาอีกต่อไป ปัญญาจะไปถอนรากของความโลภของความอยากอะไรคือความอะไรคือรากของความโลภของความอยากก็คือความหลงความไม่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราว ของต่างๆที่เราได้มานี่เรามักจะคิดว่าเที่ยงจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดจะไม่มีวันจากเราไปแต่พอเขาเปลี่ยนไปเขาเสื่อมไปเขาเสียไปเขาจากเราไปหรือเขากลายเป็นของคนอื่นไปเราก็เสียอกเสียใจกันแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่หลงไปมีสิ่งต่างๆ ไม่หลงไปหาลาบยศสรรเสริญไม่หลงไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะรู้ว่าเป็นการหาความทุกข์เพราะของที่เราหามันนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขประเดียวประเดาเวลามันหายไปมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาดงั้นถ้าเราตัดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ใจของเราก็จะสงบ ใจของเราก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องหาอะไรอันนี้เป็นการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก่อนหน้านั้นทุกคนก็กสมัยก่อนที่พระเจ้าจ ะ, จะตัดสรู้ก็มีพวกที่เขานั่งสมาธิกันเขาก็รู้วิธีหาความสุขจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบแต่เขาไม่สามารถรักษาความสงบให้อย่างถาวร เวลาออกจากสมาที่มาพอใจเกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็หายไปอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ใจก็ไม่สบายแล้วใจก็วุ่นวาย <S <S <S มีพระพุทธเจ้านี่ทรงค้นพบว่าตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายตัวที่ทำให้ใจเราไม่สงบนี่ก็คือความอยากและสตินี้ก็ไม่สามารถทำลายความอยากความโลภต่างๆไนดะ้เพียงแต่กดมันไวเท่านั้นเอง เวลานั่งสมาธิเราก็กดความโลภ ก, กดความอยากไว้เช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปความอยากก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะความอยากต้องใช้ความคิดนี่เราใช้พุทโธหยุดความคิดไม่ไปคิดถึงลาบยศสรเสริญสุขมันก็ไม่ได้คิดพอมไม่คิดถึงลาบยศสรเสริญสุขมันก็ไม่มีความอยากที่จะได้ลาบยศเสรเสริญสุขใจก็สงบชั่วข้าว แต่พอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดเดี๋ยวก็มีความอยากตามมาพอมีความอยากตามมาความไม่สงบก็หายไปความวุ่นวายใจก็เกิดขึ้นมาสังเกตดูเวลาเราอยากได้อะไรนี้ใจเราสงบไหมวุ่นวายใช่ไหมอยากจะได้เร็วๆเนี่ยคนที่อยากนี่จะใจร้อนขับรถขับราเนี่ยจะแซงซ้ายแซงขวาเปียดหน้าเบียดหลัง อยากจะไปให้ถึงที่ไวๆเพื่อจะได้ทำสิ่งที่ตนเองอยากทำกันนี่คือตัวที่ทำให้ใจเรารุ่มร้อนทำให้ใจเราวุ่นวายทำใ ห, ให้ให้ใจเราไม่สงบ ก, ก็คือความอยากแล้วถ้าอยากแล้วไม่ได้ก็ทำให้เสียใจหรือโกรธได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธขึ้นมาหรือเสียใจน้อยใจขึ้นมาอันนี้แหละ ตัวที่ทำให้ใจไม่สงบตัวที่ทำให้ใจไม่มีความสุขกันคือความอยากแต่พวกเรานี้กลับไปคิดว่าการทำตามความอยากเราจะทำให้เรามีความสุขกันแทนที่เราจะฝืนความอยากหยุดความอยากเรากลับไปส่งเสริมความอยากโดยการทำตามความอยากพอเราทำตามความอยากแล้วเราก็รู้สึกสบายได้สิ่งที่เราต้องการแต่เดี๋ยวไม่นานความอยากก็กลับมาใหม่ อยากได้อีกแล้วพอไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาลำคาญใจขึ้นมาอีกแล้วแต่ถ้าเราฝืนทุกครั้งที่มันอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากนั้นมันจะไม่กลับมามันไม่กลับมาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจเราอีกต่อไปการที่เราจะฝืนได้เราต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าทำไมเราไม่ทำตามความอยาก รู้ว่าการทำตามความอยากเป็นพิษเป็นภัยกับเราเหมือนกินยาพิษเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะดื่มนี่เป็นยาพิษแล้วเราจะกล้าดื่มไหมเราไม่กล้าดืม่มแต่เราไปคิดว่ามันเป็นนมเป็นเครื่องดืม่มความจริงมันเป็นยาพิษของต่างๆที่เราอยากได้ในโลกนี้มันเป็นยาพิษทั้งนั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไปคิดว่ามันเป็นขนมนมเนยกินแล้วจะมีความได้มาแล้วจะมีความสุข แต่เราไม่เห็นว่าเวลามันหายไปเวลามันไม่มีมันมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสอนด้วยเหตุด้วยผลว่าทำไมเราไม่ควรทำตามความอยากเพราะถ้าเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันจะจะหมดกำลังไปเช่นคนที่อยากจะเลิกบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็อยากไปสูบ เดี๋ยวไม่กี่ครั้งพอไม่สูบไม่สักไม่กี่ครั้งความอยากก็หมดไปก็เลิกบุหรี่ได้ไม่ต้องสูบบุหรี่ต่อไปทุกอย่างเหมือนกัน <S <S ดื่มกาแฟก็เหมือนกันดูละครอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นมันเป็นความอยากทั้งถ้าเราอยากจะเลิกเราก็อย่าไปทาตามความอยากไม่ทำไปสักระยะห น, นึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแต่บางทีเรารู้แต่เราก็ยังสู้กัสู้ความอยากไม่ได้ พราะเราไม่มีกําลังไม่มีความสุขที่มาช่วยเราแต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะมีความสุขเวลาเกิดความอยากเราก็นั่งสมาธิแทนกับเรากันถ้าเราสู้ความอยากไม่ไหวทนมันไม่ไหวมันทําให้เราทรมานใจเราก็ไปนั่งสมาธิกันไปหยุดความอยากกันก็ไปฝืนความอยากด้วยการหยุดสมาธิด้วยการใช้สมาธิช่วยแต่เราใช้ปัญญา เ, เราไม่ได้ใช้สมาธิเป็นตัวฆ่าเราเพียงแต่ใช้สมาธิช่วยดึงใจไว้ไม่ให้ไปทําตามความอยากแต่เราใช้ปัญญาคือเหตุผลว่าเราต้องไม่ทําตามความอยากเพราะมันทำแล้วมันจะทําให้เราอยากไปเรื่อยๆล้วอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่มีวันสุขไม่มีไม่มีความสุขที่แท้จริงจากการได้จากการทําตามความอยาก เราต้องมีทั้งสองอย่างช่วยกันเราถึงจะสามารถถอนรากของของกิเลสของความโลภความอยากได้ต้องมีสมาธิใจที่เย็นที่สงบที่มีความสุขแล้วก็ต้องมีปัญญาคือเหตุผลว่าทาไมเราไม่ต้องเราไม่ควรทําตามความอยากกันถ้าเรามีปัญญาทุกครั้งที่อยากเราก็ไม่ทาแล้วถ้าเรามีสมาธิเราก็จะไม่รู้สึก หงุดหงิดน้ำคาญใจเพราะเรามีความสุขจากการมีสมาธิช่วยอยู่ความหงุดหงิดที่เกิดจากการฝืนไม่ทําตามความอยากมันจะไม่มีมันก็เลยทําให้เราสามารถฝืนความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่พอมันอยากแล้วนี่มันจะเกิดความหงุดหงิดเกิดความอิดความรุมร้อนใจขึ้นมาแล้วเราจะทนไม่ไหว หนที่สุดเราก็ต้องไปทำตามความอยากพอไปทำเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ดังนั้นเราต้องมีสมาธิก่อนนั่งสมาธิก่อนทำใจให้สงบก่อนมีความสุขจากสมาธิก่อนเมื่อเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเวลาเกิดความอยากให้ไปหาความสุขแบบอื่นเราก็บอกว่าไม่ต้องไปเรามีความสุขจากสมาธิแล้วพ่อดีกว่าแล้วไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่ง ต, า ต, าตา่าง ไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่างวันพระนี่ถ้าเรามานั่งสมาธิถ้าใจเรามีความสงบแล้วใจมันจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วถ้ามันเกิดอยากจะมีความสุขจะรูปเสียงกลิ่นรสก็ใช้ปัญญาเตือนว่าถ้าไปทำแล้วมันจะต้องทำไปเรื่อยๆจนวันตายความอยากไม่มีวันหมดถ้ามันอยากเราไปทงตามมันมันก็จะให้มันก็จะมีความอยากใหม่มา ตามมาเรื่อยๆแล้วตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เองเพราะว่ายังมีความอยากอยู่แต่ถ้าเราฟื้นหยุดความอยากฟื้นได้ต่อไปความอยากมันจะหมดไปแล้วมันจะไม่มีกำลังที่จะมาดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่มาแกา่มาเจ็บมาตายใหม่เองเราก็จะอยู่อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่กับความสงบ ที่เรียกว่าพระนิพพานความสงบที่เกิดจากการทําลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปจิตของพระอาหารหันต์จิตของพระพุทธเจ้านี้เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์คือปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงปราศจากตัณหาความอยากกามาตัณหาภวตัณหาวิภาวะตัณหา จึงทำให้จิตของท่านไม่ต้องกลับมามีร่างกายต่อไปจิตของพวกเรายังมีโลกกดหลงยังมีความอยากอยู่พอร่างกายนี้ตายไปก็กลับมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเป็นเด็กใหม่กลับมาหัดเดินหัดวิ่งหัดอะไรใหม่ไปโรงเรียนกันใหม่ไปหาอะไรหางานหาการหาเงินหาทองกันใหม่ เหนื่อยแสนเหนื่อยก็ต้องทำกันเพราะไม่มีทางเลือกมีมีก็ไม่รู้หรือมีแล้วรู้แต่ไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์ตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่ามีทางเลือกทางที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดกันอีกต่อไปก็คือให้มามีวันพระกันวันพระให้เรามาอยู่วัดกันแล้วอยู่บ้านก็ได้ถ้าอยู่วัดไม่ได้ จะอยู่บ้านก็ได้ขอให้บ้านมันไม่มีใครมารบกวนเราก็แล้วกันให้เรารักษาศีลแปดให้ได้ให้เรามีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบให้ได้แล้วให้เรามีเวลาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ที่นั้นเป็นที่ที่เอื้อต่อการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็แล้วกัน ถ้าไปอยู่วัดวัดที่ไม่สงบวัดที่วุ่นวายก็ไม่ไปดีกว่าถ้าอยู่บ้านบ้านสงบกว่าวัดก็อยู่บ้านดีกว่าแต่ถ้าไปอยู่วัดวัดสงบกว่าบ้านก็ถ้าไปได้ก็ควรจะไปเพราะการบำเพ็ญนี้ต้องอาศัยที่สงบคำว่ า, าวัดที่แท้จริงก็คือที่ที่สงบที่ปราศจาการูปเสียงกลิ่นรสที่ปราศจากแสงสีเสียงต่างๆที่คอยล่อ หลอกใจให้เกิดความอยากขึ้นมาวัดที่แท้จริงนี้จะเป็นวัดที่ห่างจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรนจะเป็นวัดที่สงบไม่มีกิจกรรมอื่นๆนอกจากการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบนอกจากการนั่งสมาธินอกจากการฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นแตะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวัดที่จะ นำผู้ปฏิบัติให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาความสุขทางร่างกายกันที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต้องมาหาเงินหาทองกันใหม่หาได้มากหาได้น้อยตายไปก็ออกไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว ถ้าอยากจะกลับมาแล้วมีเงินทองรอเราอยู่ก็ต้องทำบุญเอาเงินทองที่เราเอาไปไม่ได้นี้มาทำบุญเพราะเป็นการเอาเงินฝากธนาคารธนาคารบุญพอชาติหน้าเรากลับมาเกิดเราก็เบิกได้ถ้าเราทำบุญไว้เรากลับมาเกิดเราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่ในชาติหน้าแต่ถ้าเราไม่ทำก็เหมือนกับเราไม่มีเงินฝากในธนาคาร พอจะไปเบิกที่ธนาคารเขาก็บอกไม่มีบัญชีเลขนี้ไม่มีชื่อนี้เบิกไม่ได้แต่ถ้าเราหมั่นทําบุญทําทานเราเชื่อเรื่องของบุญแล้วเราคิดเผื่อไว้ว่าถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็ขอให้เราเกิดมามีทรัพย์สมบัตริรอเราอยู่ดีกว่าดีกว่าที่จะต้องมาเริ่มต้นหาใหม่เราก็แบ่งทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งมาทําบุญเผื่อวันอนาคต ที่ไม่แน่นอนถ้าเรายัางไปไม่ถึงนิพพานเราก็จะได้กลับมาเบิกเงินก้อนนี้มาใช้ในภพหน้าชาติหน้าต่อไปได้พระพุทธเจ้ารึงสอนให้ทำบุญด้วยแล้วก็ให้มารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาถ้าได้ปัญญาก็อาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปบุญที่ทำไว้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้บุญที่ดีกว่า ได้ความสุขที่เหนียวกับบุญที่เราจะได้กลับมาหาเพราะว่าการกลับมาเกิดก็ยังสู้กับการไม่กลับมาเกิดไม่ได้เมื่อกลับไม่กลับมาเกิดแล้วก็ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของวันพระที่พระพเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเรามีกันวันพระนี้เราต้องเป็นคนกําหนดกันเองถึงแม้ว่าทางปฏิทินเขาจะเขียนไว้ แต่ถ้าเราไม่สนใจมันก็เหมือนกับไม่มีวันพระและสมัยนี้วันพระอาจจะไม่เหมาะไม่สะดวกไม่ตรงกับวันที่เราหยุดทํางานก็ได้สมัยนี้เราหยุดทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์กันเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนวันพระของเรามาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะถ้ามาเช่นวันนี้เป็นวันพระแต่เป็นวันพระรหัสเป็นวันที่ทํางานคนที่ทํางานก็จะไม่สามารถมาวัดได้ ยอยู่บ้านไม่ไม่สามารถอยู่บ้านรักษาศีแลแต่ปฏิบัติเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมได้ก็ต้องปรับวันพระใหม่ให้ให้ตรงกับความเป็นจริงความความหมายของวันพระในอดีตก็คือวันหยุดทำงานชาวนาชาวไร่เขาจะหยุดทำไร้ไถนากันในวันพระเพื่อที่จะได้ไปวัดกันสมัยนี้เราไม่ได้เป็นชาวนาชาวไร่ เราเป็นนักธุรกิจกันเราทำค้าขายกับต่างประเทศต่างประเทศเขาหยุดวันเสาร์วอาทิตย์กันเราก็เลยต้องหยุดวันเสาร์วอาทิตย์กับเขาไม่เช่นนั้นมันจะไม่สะดวกต่อการติดต่อต่อการทำการค้าขายต่อกันเราก็เลยเปลี่ยนวันหยุดจากวันโกนวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันโกนวันพระของพวกเรา เป็นวันที่เราจะต้องแบ่งมาหาความสุขทางใจกันบ้างมาทำบุญทาทานกันมารักษาศีลกันมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราจะได้มีความสุขสำรองไว้เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเรายังสามารถหาความสุขได้ถึงแม้เราจะนอนอยู่ในโรงพยาบาลนอนอยู่บนเตียงเราก็ยังสามารถทำใจให้สงบได้ การทําใจให้สงบนี้สามารถทําได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนี่เราสามารถทําได้เพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายทํานะเราใช้สติทํำนะขอให้มีสติคอยกํากับใจคอย ห, หยุดความคิดตรุงแต่งอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะคิดแล้วเดี๋ยวจะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาเขาคิดถึงสิ่งนั้นก็อยากจะได้คิดถึงสิ่งนี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ เรเกิดความอยากแล้วใจก็จะรุ่มร้อนใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรากำกับใจด้วยสติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้ความอยากก็จะไม่เกิดความรุ่มร้อนใจก็จะไม่เกิดมามีแต่ความเย็นใจความสบายใจแล้วถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตา ใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่ที่เรียกว่าจิตรวมจิตก็จะพบกับความสุขเต็มเต็มรูปแบบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าลองได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะพร้อมที่จะเปลี่ยนการหาความสุขจะเลิกหาความสุขในรูปแบบเก่าเพราะว่าเหมือนกับขับรถเก่าได้รถได้รถใหม่มาแล้วเราจะไปขับรถเก่าทำไม และรถเก่าที่ดีกว่ามีคุณสมบัติที่ดีกว่าหลายร้อยเท่าเรื่องอะไรไปขับรถเก่าที่โกโลโกโซโที่ไม่แน่ไม่นอนวันดีคืนดีมันอ่า จ, จะเสียก็ได้แต่รถใหม่นี้ไม่มีวันเสียสามารถใช้ได้ตลอดเวลาทุกเวลาที่เราต้องการมันจะมารับใช้เรา ท, าทันทีนี่คือความสุขที่เราจะได้จากการทำ ทำวันหยุดให้เป็นวันพระให้มีการรักษาศีลคือให้ละเว้นการทำกิจกรรมทางร่างกายการหาความสุขทางร่างกายไปเพื่อจะได้เอาเวลามาหาความสุขทางใจกันมาเจริญสติมาเดินจงกรมพุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิก็พุโทโธไปก็ได้ดูลมหายใจไปก็ได้ข้อสาคัญอย่าให้คิดเป้าหมายก็คือให้หยุดความคิดด้วยการใช้สติบริกรรมพุโทโธไป บริการพุโทโธเราก็เรียกว่าพุท ธ, ธานุสติดูลมหายใจเราก็เรียกว่าอานาปนาสติถ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติเป้าหมายก็คือให้ใจมีอะไรจดจอ่อผูกพันอยู่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นเท่านั้นเองพอไม่คิดแล้วใจก็จะสงบจะเบาจะเย็นจะมีความสุขพอเรามีความสุขแล้ว เราก็จะสามารถมาใช้ปัญญาสอนใจให้เราเลิกทำตามความอยากกันให้เห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องไปหาความทุกข์กันเพราะสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนั้นมันไม่เที่ยงมันจะต้องได้มาแล้วจะต้องมีวันจากกันเวลามันหมดไปมันจากเราไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไป ความทุกข์ก็ตามมาให้ใช้ปัญญาสอนใจพอทุกครั้งเกิดความอยากก็บอกไม่เอาอยากจะสูบบุหรี่ไม่สูบอยากจะดื่มกาแฟไม่ดื่มอยากจะไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็ไม่ต้องซื้ออยากจะซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นฟุ่มเฟือยก็อยากไปซื้อต่อไปมันก็เลิกมันก็ไม่อยากไม่อยากมีความสุขอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอ เอาไปพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจไม่สงบพอไม่มีความอยากแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ใจจะสงบตลอดเวลาไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอะไรเพราะตัวที่ทำให้ใจไม่สงบนี้มันถูกทำลายไปหมดแล้วถ้าไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความอยากแล้วใจจะสงบตลอดเวลาสงบอย่างถาวรเขาถึงเรียกว่านิพาน เป็นความสงบที่ถาวรเป็นความสุขที่เป็นบรลมละสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่<ว>เพราะว่ามันไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่มีวันหมดมันสุขของมันไปอย่างนั้นตลอดเวลานี่คือความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระสาวกทั้งหลายที่จะเป็นความสุขของพวกเราถ้าพวกเรามีวันพระกันถ้าพวกเรามาบำเพ็ญกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราบาเพ็ญกันในวันพระ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 ภราสยทาสัพพิติโยวิวัจฉัตตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีฤทสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขัง เอาละอย่วันนี้เข้ามาเท่าไหร่เป๊ปทูส4 13, 1 3ค่ะยูทูส88ค่ะ88เพาม่มกันเรื่อยๆนะเมื่อก่อน300กว่านี่400ขึ้นขึ้น400ยูทูส88 <40. S 1> มีใครฟังแล้วสงสัยอะไรบ้างไหมอาจจะไม่ได้พูดชัดเจน อยากจะให้ขยายความตรงไหนก็ถามได้ธรรมะต้องฟังบ่อยๆฟังแต่ละครั้งก็จะได้บางส่วนจะ่ยังไม่ได้ครบทุกส่วนฟังไปเรื่อยๆ เ, เราจะเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับเหมื mm hmm. อนกับเวลาที่เราไม่รู้จักทางแล้วเราไปถามคนให้เขาบอกทางให้เราบางทีเขาพูดครั้งแรกเราก็อาจจะไม่เข้าใจ เราก็ต้องถามก็ว่าไหนพูดใหม่ซิเพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจเวลาเขาพูดแต่เราฟังคนฟังอาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะต้องถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรไม่ได้เป็นการไปว่าคนบอกทางว่าพูดไม่ดีหรือยังไงเพียงแต่ว่าบางทีฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องถาม คนบอกทางนี้ก็ต้องการบอกให้คนฟังรู้เรื่องเข้าใจจะได้เดินทางถูกงั้นถ้าบอกแล้วยังไม่เข้าใจก็ถามได้ไม่ต้องเกรงใจมีอะไรถามเลยอ้าวถามมาการนังอาจารย์คือ แต่มันยังไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่ามันสงบก่อนแต่พอจะไปนั่งให้มันได้เวทนาคือมันปุ้งไปเลยครับมันได้ประมาณสองชั่วโมงมันยังไม่เจอเวทนาใหญ่มันก็มันได้แค่นี้เดี๋ยต้องพยายามมาเวทนาใหญ่เลยครับหรือว่าก็ไม่เป็นไรก็นั่งไปเรื่อยๆถ้าไม่เจอมาแล้วไปอย่าไปอยากเจออยากเจอแล้วไม่เจอมันก็ทุกไปบ่บ่เครียดมากเลยครับอย่าไปอยากไปเจอมันเดี๋ยวมันมาหาเราเองไม่ต้องกลัวหรอก เดี๋ยวเวลาเป็นไข้มันก็มาได้ไม่ต้องรอให้เวลานั่งก็ได้วิธีนั่งใจมันเจอมันก็คือนั่งตัวให้ตรงแล้วก็อย่านั่งบนอย่านั่งบนเบาให้นั่งบนบนพื้นอย่างนั้นปูเสื่อแล้วปูอะไรอัน้นพื้นแข็งๆแล้วอย่ามีอะไรพิงนั่งแบบนี้ยจะนั่งแบบที่เรานั่งอย่างนี้ยอาจจะปูเสื่อแล้วก็นั่งพยายามให้ให้หลังตรง เพราะถ้าหลังไม่ตรงเดี๋ยวมันจะหลับหลับแล้วมันก็มันก็จะไม่เจอทุกขเวทนาแต่ถ้านั่งให้หลังตรงแล้วก็นั่งบนพื้นแข็งๆเดี๋ยวมันก็มาเวทนา t h ี้ไม่จำเป็นต้องหลายชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งนี้มันมันเริ่มเริ่มพิจารณาได้เลยใช่ไหมครับคือมันมาเราก็ต้องเราก็ต้องคล้ายๆว่า รับมันให้ได้คือปัญหาของพวกเราคือเราไม่ชอบความเจ็บกันเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายแล้วก็ทำให้ใจเราไม่สบายตามไปด้วยที่เราต้องการที่จะแก้ความไม่สบายใจที่เวลาเกิดความเจ็บแต่ความเจ็บนี่เราไปแก้ไม่ได้ความเจ็บมันมีเหตุของมันมันเป็นเป็นเหตุที่ร่างกายแต่ร่างกายมันเป็นอะไรมันก็เจ็บขึ้นมา แต่ใจเราไม่ต้องไปเจ็บไปกับร่างกายได้ถ้าเรารู้จักวิธีหยุดความเจ็บทางงทางใจความเจ็บทางใจก็จากความอยากอยากไม่เจอความเจ็บทางร่างกายอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปเวลามันโผล่ขึ้นม า, านเราต้องหยุดตัวนี้ให้ได้พอเวลานั่งเราเจอความเจ็บ ใจเรารู้สึกอืดอัดรู้สึกไม่สบายแสดงว่าเรากำลังมีความอยากละอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บไปันอยากจะลุกเปลี่ยนท่านั่งความเจ็บมันจะได้หายนั้นเราต้องหยุดความอยากนี้อย่าไปอยากเปลี่ยนท่านั่งปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บไปวิธีที่จะทำให้เราทนอยู่กับมันได้ ถ้าใจเราไม่หยุดก็ใช้สติหยุดความอยากพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายปกตินั่งยังไม่ถึ ง, งนึ่งโมมันถือว่าได้วความสงบแต่ว่ามันจะได้ไม่ไม่ไม่นานมันจะได้เรื่อยๆแบบนี้แต่ว่ามั น, มนจะเพิ่มขึ้นไหมครับพายการก็ <c oughs> มันอยู่ที่สติถ้าเราสติดีมันก็จะลงลึกเข้าไปจนกระทั่งมันรวมเป็นอัปปนา ส, สมาธิถ้าเป็นอัปปนาสมาธินั้ น, น, นมันจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายรนะ่างกายเป็นอะไรมันจะไม่ไม่สนใจเน้น <c oughs> ถ้านั่งมันไม่เจ็บลองเดินให้มันเมื่อย ก, ก็ได้เดินสักสี่ห้าชั่วโมงไปเลย แล้วก็ดูซิว่าจะอยู่กับความเจ็บได้ไหมมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ใจเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันด้วยต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยดูสังเกตดูนี่มันก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยรีบหายาแก้ปวดนะอย่าไปหามันสิเนี่ยอยากจะหาเวทนาพอเจอเวทนาก็วิ่งหนีมันนละพยายามจะกำจัดมันนะมแล้วเออเจอมันก็ใช้ปัญญาสู้เหมือนซิใช้ปัญญาใช้สติเนอะ เป็นความเจ็บของร่างกายเราใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้เจ็บใจทําไมต้องไปวุ่นวายกับร่างกายร่างกายมันไม่วุ่นวายมันไม่ได้ขอร้องให้เราไปหายาให้มันกินเท่าไหร่ทำไมเราเราเป็นคนที่จะไปหายาให้มันกินเองเมื่อมันไม่ขอร้องก็ปล่อยมันไปมันไม่ขอกินยาเราก็ไม่ต้องหายาให้มันกินปล่อยให้มันเจ็บไปเดี๋ยวมันก็หายของมันเองใจเราต้องยิ้มได้เวลาเกิดความเจ็บ ถึงจะเรียกว่าอามีปัญญามีสติถ้าเกิดความเจ็บตามร่างกายแล้วหน้าหน้าหน้าหงิดตั้งอเนี่ยแสดงว่าไม่มีปัญญานะใจไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายเจ็บไปกับร่างกาย <S <S> <S ต้องแยกใจออกจากร่างกายว่าใจไม่ได้เจ็บร่างกายเจ็บใจไม่ได้เจ็บบอกงี้เลยใจเป็นผู้รู้ใจรู้ความเจ็บแต่ความเจ็บไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ใจความเจ็บอยู่ที่ร่างกาย แล้วใจไปเจ็บแทนร่างกายทําไมร่างกายมันเจ็บมันไม่เห็นเดือดร้อนมันมเห็นนั่งหงิดนั่งงอครับผมแล้วพระอาจารย์อีกอย่างหนึ่งคือครับบางกีทํางานบาง ท, ท, งาทีอย่างด้าน น, นี่พอดีเวลาเจอซื้อหรอยางได้มันจะคิดว่าเราป่วยอยู่เดี๋ยวเราก็ตายแล้วบางทีก็ตายแล้วปิดมันก็ถอยออกมันก็คนหูเข้าออะไรอย่างเงี้ฉอันนี้เป็นอาการต้องนะครับหรือว่ามัน ถอยแล้วหดหูอะหดหูครับแบบมันเพราะว่ายังปีเล่ยมันไม่ยอมไงมันก็เลยหดหูมันสิ่งของก็ไม่กล้าซื้อแต่ว่านั่นแหละใช่เพราะว่ามันยังไม่ยังตัดไม่ขาดไงก็ฝืนมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหายหดหูใหม่ๆมันก็หดหูเพราะว่าไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิมันจะไม่หดหูเวลาเวลาจะตัดอะไรจะอะไรนี่มันจะไม่หดหู อ่าเพราะว่าจิตไม่มีสมาธิจิตไม่มีความสุขเนี่ยมันเคยพึ่งสิ่งนี้อยากจะได้สิ่งนี้มาพอไม่ให้มันมันก็เลยหดหูแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสุขแล้วพอไม่ให้มันมันก็ไม่เดือดร้อนอั้น้การที่จะใช้ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ต้องมีสมาธิก่อนต้องจิตต้องสงบก่อนต้องรู้จักจิตต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขก่อน แล้วพอมีความสุขแล้วนี้ก็จะเลืิกซื้อของได้หรือเลืิกเที่ยวได้เลิกอะไรได้ยังไม่มีความรู้สึกขอดูกใจถ้าเลือกแบบขอถูแสดงว่ามันยังไม่ยอม ม, อมันไม่มีความสุขในใจน อ, อนั่นแหละยิงการที่จะใช้ปัญญาตัดกิเลสได้อย่างมีความสุขนี้ต้องมีสมาธิก่อนอยิงน่งต้องพยายามฝึกนั่งสมาธิเยอะๆก่อน ให้สติให้มีสมาธิมีกำลังก่อนท่านบอกว่ า, วาปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุนนี้จะมีประโยชน์มากเพราะจะสามารถทำให้จิตนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการหยุดความอยากต่างๆแต่ถ้าปัญญาไม่มีสมาธิสนับสนุนมันก็เป็นปัญญาแบบไม่มีกำลังเวลาจะหยุดก็หยุดไม่ได้หยุดก็แบบหยุดแบบ แบบหดหูใจหยุดแบบไม่สบายใจฉะนั้นต้องมีสมาธิก่อนก่อนจะมีสมาธิก็ต้องมีศีลก่อนศีลจะสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิจะสนับสนุนให้ใช้ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพให้ใช้ตัดกิเลสได้อย่างไม่มีความรู้สึกหดหู่ใจหรือทุกข์ใจมึงแพนเมอะไรไหมไม่ไมีนะ วันนี้มาคนเดียวเลยมเดียวคิดน้าจะไปรบยองหลวพ่อกัรหาไปทำชอบตะปาดอกเตียบานเมื่อเมื่อทิศเที่้วก็มีเพื่อนของลูกสาวมาเพื่อนที่เ็าอยู่ที่รอย l c คลิปเนี่ยเขาก็มาฟังเทศฟังธรรมเขาบอกเขาชอบมาฟังธรรมเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับลูกสาวหลวงพ่อการหาจะมาทำอะไรนะ ท uh, uh, uh, okay. uh, mm hmm. ี่ส okay ั okay. yeah. ้างโรงพยาบาลมหาลัยที่โคราชใช่ไหมคะมีแบบพาทูมีไม่รู้จะวัดไหนไม่ทราบนะแต่โรงเกียาบาลอยู่กลางเมืองระยองแล้วก็จะมาที่ที่ชลบุรีแบบที่ปัตตานีอ่าอืมประมาณสี่วันคงจะมากับเพื่อยมันสัอืมดีมงตอนเหนื่อยรับเนี้ยมีท้อตาบ่อยขว่านตึก ประมาณ13ชั้นเป็นจุดของประเทศอ่ออายัดีจะเป็นประโยชน์เหนื่อยหน่อยแต่ทําให้คนที่เขาทุกข์เดือดร้อนจะได้บรรเทาทุกข์ได้เดี๋ยวก็หายเหนื่อยเอง <laughs> ทําแล้วก็มีความสุขใจถ <laughs> ึงแม้จะเหนื่อยกายแต่ใจสุข <laughs> ความสุขใจนี่ดีกว่าความสุขกาย งั้ถ้าทำบุญได้ทำไปเถิดตายไปก็ออกไปไม่ได้นะอันไหนที่เราคิดว่าไม่ได้ใช่ก็เอาไปทำาุญเถอะต่อเลยป่ะคต่อคำถามในอินบ็อกซ์จากผู้มีประสงค์ออกมาค่ะขออุบายภาวนาเพื่อสัตย์รัะเนื่องจากภาวนาเองแล้วพบว่าปัญหาปัจจุบันคือมีความรู้สึกผิด จากการที่ไปรู้สึกชอบคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่สามีจึงพยายามใช้การภาวนาสู้กับกิเลสโดยหลังจากจิตรวมแล้วพยายามพิจารณาการเป็กสิ่งปฏิปูณแต่ก็ยังปัดความรู้สึกไข่กับคนคนนั้นไม่ได้อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะค่ะว่าจะมีหนทางใดถอนรากถอนโคนราคะได้ไหมคะตอนนี้เอาตนเองออกห่างทั้งคนนั้นและสามีเพื่อมาภาวนาค่ะ กลัวการติดสีและตัวทุกข์ที่จะตามมาค่ะก็ขั้นต้นก็อย่าไปอยู่ใกล้คนที่เรามีปัญหาด้วยเช <c oughs> ่นไปอยู่วัดแล้วก็พยายามควบคุมใจของเราอย่าให้ไปคิดถึงเขาแล้วพยายามทําใจให้สงบเวลาใจสงบ <c oughs> อย่าพิ่งพิจารณาให้ใจสงบนานๆให้นิ่งนานๆใจจะได้มีความสุขมากๆ เพื่อที่เราจะได้เวลาเกิดความอยากที่จะไปคิดถึงเขาเราจะได้ไม่รู้สึกทรมานใจและเราจะได้ฝืนบังคับใจให้เราไม่ไปคิดถึงเขาได้หรือถ้าเราจะคิดก็ให้คิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของเขาเช่นดูอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังร่างกายนี้นอกจาก ที่เราเห็นข้างนอกแล้วภายใต้ผิวหนังยังมีอาการต่างๆอีกเยอะแยะที่ไม่น่าดูเช่นโครงกระดูกมีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างทุกคนไม่มีโครงกระดูกมีใครไม่มีกระโหลกศีรษะบ้างแต่เรามองไม่เห็นกันพยายามนึกถึงโครงกระดูกก็พยายามนึกถึงกระโหลกศีรษะนึกถึงปอดนึกถึงหัวใจถึงตับถึงลำไส้ของคน ถ้าเราเห็นอาการเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้เราลดความอยากในคนคนนั้นได้ต้องทำตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วอย่าทำตอนที่นั่งสมาธิตอนที่นั่งสมาธินี้ต้องการให้นั่งเฉยๆให้นิ่งนานๆแต่พอออกมาแล้วพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาเลยอย่าหยุดคิดเลยคิดถึงอาการอสุภาต่างๆตลอดเวลา ถ้าหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะเห็นเป็นสวยเป็นงามขึ้นมา ท, าทันทีต้องคิดไปจนกระทั่งมันจำได้มันไม่ลืมพอมันจำได้แล้วต่อไปเวลาเราคิดถึงร่างกายใครเราก็จะคิดถึงอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขาแล้วเราก็จะสามารถกำจัดการมารมณ์ได้คำถามทาง youtube จากคุณลาวันค่ะ ที่ฉันอยู่ด้วยความสงบสุขความเฉยเฉยจะต้องภาวนาพุโทโธตลอดเวลาไหมคะก็แล้วแต่เราถ้าเรามีความสงบมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องภาวนาก็ได้ถ้าใจเราไม่สงบเราก็ต้องภาวนาถ้าเรายังไม่รู้จักภาวนาเราก็ต้องหัดภาวนาไว้ก่อนถึงว่าตอนนี้เราไม่มีความทุกข์แต่ต่อไปเวลาเรามีความทุกข์เราจะได้รู้จักวิธีดับความทุกข์ได้ด้วยการภาวนา การภาวนานี้มีมีประโยชน์สองระดับระดับแรกก็คือถ้าเรายัางภาวนาไม่เป็นเราก็ควรจะหัดภาวนาไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่มีความทุกข์แต่ต่อไปในอนาคตเราจะต้องเจอความทุกข์ถ้าเราไม่เตรียมวิธีภาวนาฝึกวิธีภาวนาไว้ต่อไปเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะดับความทุกข์ไม่ได้นันเราต้องภาวนาถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีความสุข แต่ถ้าเราภาวนาเป็นแล้วแล้วตอนนี้เรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องภาวนาก็ได้ถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถดับความทุกข์ได้เวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาคําถามจากคุณกุลค่ะไปทําบุญที่วัดตอนฟังสวดยาถาว่าป้าคุยกันเสียงดังกว่าพระคนไม่ได้เลยดุไปว่าทําไมคุยกันเสียงดังกว่าพระแบบนี้จะได้บุญไหมคะไปว่าพวกเขาค่ะ ก็ไม่ได้บุญหรอกก็ต้องอยู่เฉยต้องปล่อยเขาไปะแสดงว่าใจเราโกรธแล้วเราถึงไปว่าเขาคําถามจากคุณบีบีค่ะทุกสิ่งอนัตตาธรรมมีอะไรยึดติดอนัตตาได้บ้างหรือเปล่าครับและควรวางใจอย่างไรให้เป็นอนัตตาธรรมครับคือของต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นอนัตตาคือว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราว เช่นทรัพย์สมบัติก้าวของเงินทองคนต่างๆสิ่งของต่างๆบ้านช่องอะไรต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันเป็นของชั่วคราวท่านบอกว่าเป็นอนัตตาขอให้เราอย่าไปยึดอย่าไปติดขอให้เราเตรียมตัวปล่อยวางสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้แต่ร่างกายของเราก็อนัตตาไม่ใช่ของเราคําถามจากคุณทายกินค่ะ ขอคำแนะนำครับเวลาจิตมันวดเก่งไม่ยอมฟังผมสอนจิตว่าถ้าเก่งจริงก็อยู่กับพุทโธให้ได้สิอย่างนี้ถูกไหมครับไม่จริงหรอกถ้ามันเก่งจริงอดข้าวสัก3ามวันดูนะพระเจ้าเจ้าอดสี่ถึงเก้าวันนะเราแค่สามวันก่อนก็ได้คำถามจากคุณนาราผมนั่งสมาธิเคยเห็นอวัยวะภายในร่างกาย ไม่สนใจภาวนาไปเลยถูกต้องไหมครับออกจากสมาธิจเจริญปัญญาต่อได้ไหมครับถ้าเราภาวนาเราควรจะอยู่กับ อ, อารมณ์ที่เราใช้กากับใจถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วเราไปเห็นอะไรก็อยากไปสนใจเพราะว่าจะทำให้ใจเราไม่สงบถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวใจเราก็จะสงบ การนั่งสมาธินี้เพื่อทำใจให้สงบยังไม่ต้องการเห็นอะไรการจะเห็นอะไรนี่เราเห็นด้วยปัญญาดีกว่าคือด้วยการพิจารณาหลังจากที่เราออกมาจากสมาธิแล้วเราก็ใช้ปัญญาพิจารณานึกถึงสิ่งที่เราอยากจะเห็นเช่นเราอยากจะเห็นอาการ32ของร่างกายเราก็นึกไปนึกถึงอาการต่างๆตอนต้นถ้าเรามองไม่เห็นไม่รู้ว่ามีอาการอะไรบ้างเราก็ไปเปิดหนังสือดูก็ได้ หนังสือที่นักศึกษาแพทย์เขาเรียนกันก็มีมีมีเป็นภาพวาดก็ได้เป็นภาพถ่ายก็ได้ที่ทําให้เราเห็นอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราที่อยู่ภายใต้ผิวหนังแล้วเราก็เอามานึกเอามาคิดอยู่เรื่อยๆจนต่อไปเวลาเรามองเห็นร่างกายใครก็เห็นอาการต่างๆเหล่านี้พร้อมๆกันไปเลยไม่เห็นแต่เฉพาะภายนอกเห็นทั้งภายในด้วย แล้วมันก็จะทำให้เราหายหลงข้อที่สองพระอริยสงฆ์กับพรหมแตกต่างกันอย่างไรครับพรหมนี้เป็นผู้ที่ได้สมาธิเช่นได้ฌานชั้นชั้นต่างๆการได้ฌานนี้ก็ได้จากการการใช้สติกดเรือ้อด้วยหยุดความอยากต่างๆไว้ชั่วคราว อย่างที่บอกว่าหินทับย่าเนี่ยคือเราพุโทโธพุโทโธไปเนี้เราก็ทำให้ความอยากไม่ทำงานความโลภไม่ทำงานพอความโลภความอยากไม่ทำงานจิตก็สงบเป็นฌานขึ้นมาก็เป็นพรหมขึ้นมาจิตก็เป็นพรหมขึ้นมาแต่เวล า, าสติหมุดกำลังกิเลสความโลภความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ส่วนพระอริยเจ้านี่ท่านจิตของท่านสงบด้วยการ ทำลายความอยากไม่ได้ดไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำลายด้วยการกดเอาไว้ใช้ปัญญาเหมือนถอนหญ้าถอนรากของหญ้าออกจากดินพอหญ้าถูกถอนออกจากดินหญ้าก็ตายรากของความโลภความอยากก็คือความหลงที่ไม่เห็นโทษของความโลภของความอยากว่าเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวายใจไม่สงบพอถอน ความอยากได้ถอนรากของความอยากได้ก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติแล้วก็จะสงบไปเรื่อยๆเพราะไม่มีความอยากที่จะมาทําลายความสงบนี้ <Yeah. S 1> ก็เลยเป็นความสงบที่ไม่เสื่อมแต่ความสงบของพรมนี้เสื่อมเพราะสตินี้จะมีกําลังแล้วก็จะอ่อนกําลังลงแล้วต่อไปพอสติอ่อนกําลังลงมากๆขึ้นก็เหมือนเอาหินเอาญ้า เอาหินออกจากหญ้าหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่จิตที่ไปถึงสวรรค์ชั้นพรมแล้วพอสติอ่อนลงอ่อนลงต่อไปความความอยากในรูปเสียงกลิก่นลดก็จะโผล่ขึ้นมาจิตก็จะเลื่อนลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพเพื่อมาเสพรูปเสียงกลิก่นลดทิพย์ต่อไปแล้วถ้าพอหมดกําลังก็จะเลื่อนลงมาเป็นมนุษย์มาเสบรูปเสียงกลิ่นลดของมนุษย์ต่อไป เพราะว่าการไปสวรรค์ชั้นต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไปด้วยกำลังของปัญญาไปด้วยกำลังของสติก็เลยทำให้มันยังไม่ตายแต่ถ้าใช้ปัญญาถอนลากเงาของความโลภความอยากแล้วความโลภความอยากก็จะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาได้ต่อไปปัญญาก็คือเห็นเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตราย เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไม่ควรจะที่จะไปทํามันพอเราเห็นว่าความอยากเป็นเหมือนยาพิษเป็นตัวที่คอยทําให้เราทุกข์สมมุติว่าเราปรวดศีรษะแล้วเราไม่รู้ว่าที่ปราปรวดศีรษะเพราะเราคอนมาทุบศีรษะเราอยู่ได้ด้วยแล้วพอวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเนี่ยที่คุณปวดศีรษะเพราะคุณคอยเอาค้อนมาทุบศีรษะคุณเนี่ยพอคุณเอาหยุดเอาค้อนมาทุบศีรษะต่อไปการปรวดศีรษะก็หายไป จันได้ความทุกข์ใจของพวกเรานี้ก็เกิดจากความอยากความโลภของพวกเรานี้เองไม่มีใครรู้มีแต่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาบอกพวกเราว่าถ้าอยากจะหายจากความทุกข์ทั้งหลายก็อย่าไปอยากอย่าไปโลภเท่านั้นเองคำถามจากคุณขวัญหนูไม่ได้ไปวัดวันพระเนื่องจากปัจจัยสี่ไม่พร้อมหนูใช้วิธีโปรข้าวสารให้นกหลังห้อง นกก็มาจิกกินข้าวสารที่หนูโปรยไว้รักษาสีนห้าเป็นปกติและฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจากพระอาจารย์ช่วงบ่ายสองใจเป็นสุขไม่ทุกร้อนค่ะและคืนนี้หนูจะภาวนาในห้องเอาค่ะแบบนี้ก็เป็นหนทางบูญตามเหตุปัจจัยของหนูเองหนูคิดถูกไหมคะพระอาจารย์ถูกแล้วทำอะไรได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาการขึ้นไปเองเหมือนปลูกต้นไม้ตอนต้นเราก็ปลูกในกระถางไปก่อน แล้วต่อไปต้นไม้มันโตขึ้นเราก็ย้ายลงดินต่อไปตอนต้นเราก็ฝึกปฏิบัติที่บ้านไปก่อนต่อไปใจเราได้มีกําลังมากขึ้นเราก็จะสามารถไปบวชได้ไปอยู่วัดได้คําถามจากคุณกิ่งแก้วตามบทสวดมนต์ที่ว่าการเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสังขารในที่นี้หมายถึงความคิดปรุงแต่งใช่ไหมคะ อ, อใจความคิดปรุงแต่งที่ทําให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาพอเราระ ง, งับความคิดปรุงแต่งได้ตัณหาความอยากก็จะระ ง, งับไปด้วยความวุ่นวายใจที่เกิดจากตัณหามันก็หายไปใจก็สงบมีความสุขขึ้นมาการระ ง, งับก็มีสองวิธีระ ง, งับด้วยสติหรือระงับด้วยปัญญาระ ง, งับด้วยสติแล้วก็พูดโทพูดโธไป ะระงับด้วยปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าของที่เราอยากได้เป็นทุกข์อย่าไปเอาดีกว่าและการอยากก็เป็นทุกข์ให้หยุดความอยากและอย่าไปอยากได้สิ่งที่เราอยากได้ต่อไปเราก็ไม่อยากได้สิ่งต่างๆคำถามจากคุณซออยากทราบว่าการทานเจกับมังสวิรัตอันนี้ส่งเท่ากันหรือเปล่าคะไม่รู้มันต่างกันตรงไหนหรือเปล่า เจก็กินผักใช่ไหมเจเจไม่ทานไข่กับนมค่ะแต่บางส่วนเวลาไข่กับนมอ่าทานกันนมยังใช่ได้คือกินอะไรมันก็เหมือนกันทั้งนั้นมันมันไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปเรื่องการกินอาหารเนี่ยถึงแม้จะกินเนื้อสัตว์ก็ตามแต่ถ้าเนื้อสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่มันตายแล้วเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ทาให้มันตาย อันนี้ก็ไม่บาปงั้นจะกินเจกินผักกินไข่กินเนื้อกินหมูกินเป็ดกินไก่มันก็เหมือนกันมันก็เป็นอาหารเหมือนกันมันไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะเป็นบุญก็คืออาหารที่เราจะกินนี้ไปให้คนอื่นมันก็เป็นบุญอยากกินเองหรือว่าถ้าเป็นบาปก็คือเราไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วก็อามาทำเป็นอาหารเพื่อกินเองอย่างนี้ก็บาป แต่ถ้าเราไปซื้อของที่ตายแล้วในตลาดเนี่ยอาซื้อมากินอย่างนี้ก็ไม่บาปแต่เราต้องไม่ไปสั่งไว้ล่วงหน้านะอย่าไปสั่งว่าพรุ่งนี้เอาไก่หนึ่งโลหนึ่งตัวถ้าสั่งนีนบาปเพราะว่าไปสั่งเขาทําสั่งให้เขาทําก็ดีทําเองก็ดีก็ถือว่าบาปแต่ถ้าเขคนขายเขอยากจะทํามาขายเองก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขามีขายเราก็ซื้อถ้าไม่มีขายเราก็ไม่ซื้อน นัการกินอะไรนี้มันไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะเป็นบาปก็ต่อเมื่อกินของที่เป็นเป็นเช่นก็มีมีอะไรเป็นเป็นในจานอะไรปรุงสัง่งพวกเขาก็นึ่งเลยนะคะมัเ <c oughs> หรือต้องเองในที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่กระทะเองใส่เตาเเเถ้าอย่างนั้นก็บาป <c oughs> เราสั่งแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอาหารเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไ ร, ไรถ้าถ้าเรารู้ก็อย่าไปกินร้านนั่นเลยไปกินร้านที่เรารู้ว่าเขาเาของตายมาันถามเมื่อก่อนก็ได้ว่าเนื้อสัตว์นี่ตายหรื อ, อยังอถ้าตายแล้วเราก็สั่งก็ได้ถ้าเนื้อสัตว์ยังไม่ตายก็สั่งเป็นอาหารเจไปก็แล้วกัน เอาไข่ทอดไปก็แล้วเป็นไข่ทอดไข่เจียวไปผัดผักไปถ้าสงสัยแล้วทําก็บาปเหมือนกันถ้าสงสัยแล้วทํานี่ก็ยังถือว่าบาปเพราะไม่แน่นอนไม่แน่ใจอาจจะอาจจะอาจจะเป็นบาปก็ได้ยังฝืนทําอยู่แสดงว่าไม่เจตนา ถามจากคุณพิมพ์พรปัจจุบันนี้หนูตัดกิเลสได้แล้วค่ะความอยากมีอยากได้หนูก็ปล่อยวางได้ค่ะเที่ยวก็ไม่ใช่หนูฟังเทศและท่านสอนทุกวันทําให้หนูตัดกิเลสได้หลายอย่างค่ะพระอาจารย์คะหนูจะเรียนท่านว่าหนูเลิกดื่มกาแฟได้แล้วค่ะหนูมั่นใจ่า ก, ก็ต้องดูไปก่อนนะเพราะมันไม่แน่มันอาจจะโผล่ขึ้นมาทีหลังก็ได้ของพวกนี้มันยังไม่แน่นอนต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาเรียกว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กิเลสดูไปก่อนแต่เลิกได้ก็ดีสาธุอนุโมทนาด้วยแต่อย่าประมาานอนใจนะ ถามว่าหนูก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราต้องตัดกิเลสไปทีละอย่างใช่ไหมคะเออก็ตัดตัวอื่นต่อไปตัวไหนที่เรายังติดอยู่ก็ต้องตัดมันเนี่ยต่อไปต้องมาตัดที่ร่างกายเราเนี่ยต้องตัดต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ต้องปล่อยวางความเจ็บให้ได้อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตายคำ ถ, ถามจากคุณ น, นุชค่ะ ชอบกินหอยแครงย่างสดๆบาปไหมคะบาปแน่ๆแล้วงของยังไม่ตายมาย่างสดๆคํถามจากคุณพระเดชว่าพระอาจารย์ครับผมนั่งภาวนาไปหนึ่งชั่วโมงในครั้งแรกหลังจากนั้นออกไปทําธุระส่วนตัวแล้วกลับมานั่งบริกรรมพุทโธ เห็นจิตกระเพื่มขึ้นลงอาการอย่างนี้เป็นปกติหรือเราสงสัยไปเองครับขอคําแนะนําครับอ๋อมันก็ปกติจิตยังไม่สงบมันก็กระเพื่มขึ้นๆล ง, ลงๆอยู่ต้องให้มันนิ่งสงบเหมือนน้านิ่งเลยเห็นจะเรียกว่าเป็นสมาธิคําถามจากคุณขวัญจิตก่อนนั่งสมาธิเราต้องเจริญพรมวิหารก่อนหรือต้องพูดว่าอะไรอ๋อไม่ต้องอะไรเลยก็ได้ให้มีสติตยอย่างอย่างเดียวให้รู้ว่าเรากำลังจะทําอะไรอยู่ ถ้านั่งสมาธิเราก็ต้องมีสติคอยกํากับใจมีอะไรคอยกํากับใจเช่นมีพุโทโธกํากับไปเรื่อยๆหรือมีการดูลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ไม่ไ ม, ไม่อย่านั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้จิตมันคิดปรุงแต่งไปแล้วก็สร้างภาพสร้างอะไรปรากฏขึ้นมาหลอกเราเดี๋ยวเราอาจจะหลงหรืออาจจะเสียสติไปก็ได้ เวลานั่งอย่าปล่อยให้จิตมันไม่มีอะไรกำกับ น, ะนั่งต้องมีพุโทโธพุโทโธกำกับไปหรือมีการดูลมหายใจเข้าออกกำกับไปแล้วใจก็จะนิ่งการนั่งนี้เราต้องการให้ใจนิ่งไม่ต้องการเห็นอะไรแต่บางทีเห็นก็อย่าไปสนใจแสดงว่ายังไม่นิ่งเต็มที่ถ้านิ่งเต็มที่แล้วมันจะไม่เห็นอะไรพยายามนั่งเพื่อให้มันนิ่งเพราะความนิ่งความสงบนี้ เป็นของวิเศษกว่าของต่างๆที่จะปรากฏให้เราเห็นในขณะที่เรานั่งคําถามจากคุณอุย๋ยการใส่บาทเราใส่เป็นเงินได้ไหมคะจะผิดไหมคะเพราะมีคนบอกว่าห้ามใส่บาทด้วยเงินคะ่ะอพระรับเงินกับทองไม่ได้กับมือถ้าจะให้เงินทองก็ต้องฝากให้กับลูกศิษย์ที่เขาเดินตามพระมาถ้าเราอยากจะ ไม่มีเวลาชื้อกับข้าวแล้วเราอยากจะทําบุญก็ต้องดูว่าท่านมีลูกศิษย์มาหรือเปล่าถ้ามีลูกศิษย์ก็ฝากเงินให้กับลูกศิษย์ไว้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ควรจะใส่ไว้ในบาทเพราะใส่ไว้ในบาทท่านก็เก็บไว้ไม่ได้ท่านก็ต้องสละให้คนอื่นไปเงินทองที่ญาติโยมให้กับมือพระหรือใส่กับบาทมานี้พระเก็บไว้ใช้ไม่ได้จะใช้เงินได้ก็ต้องเป็นเงินที่ญาติโยมฝากไว้กับลูกศิษย์ แล้วเวลาพระต้องการให้ลูกศิษย์ไปซื้ออะไรเขาก็จะได้เอางเงินที่ญาติโยมฝากไว้นีไปซื้อให้ค่าถามจากคุณทองแม่ของโยมเป็นคนชอบเรียกร้องความสนใจกับลูกๆชอบบอกว่าตัวเองเป็นโรคนั้นโรคนี้ลูกก็พาไปหาหมอหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรโยมรับเลี้ยงแม่คนเดียวตลอดมาแม่ดื่มคะ่ะบอกไม่ฟังโยมเลยปล่อยคะ่ะช่วงหลังๆบอกเจ็บท้องเจ็บเข่า โยมเฉยๆแต่บอกรักและห่วงบอกเป็นธรรมดาของสังขารโยมบาปไหมคะที่ไม่เดือดร้อนกับการป่วยของแม่ก็ไม่รู้ว no> ่าป่วยจริงไม่ป่วยจริงถ้าป่วยจริงก็ไม่ควรที่จะอปล่อยปละละเลยถ้าพาพาไปหามถ้าแม่ก şey> ็อยากจะให้พาไปก็พาไปเถอดท่านจะจะจะหลอกเราหรือไม่หลอกเราก็เรื่องของท่าน คิดว่าเรากา็ทดแทนบุญคุณแม่ก็แล้วกันบุญคุณของแม่นี่มันยิ่งใหญ่กว่าบุญคุณที่เราจะตอบแทนได้ยังถ้าท่านหมอเจ็บก็ถามดูอยากจะไปโรงพยาบาลไหมอยากจะกินยาไหมก็ถามดูต้องการอะไรถ้าแม่ต้องการอะไรแล้วก็เราอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้ก็ทำให้ให้แม่ไปสมัยที่เราเป็นเด็กๆนอนหลับ พ่อแม่นอนหลับดึกๆเดินเด๋ยังต้องปลุกขึ้นมาถ่ายมาฉี่มากินนมมาอะไรอยู่ยั้นถึงเวลาที่เราจะต้องใช้หนี้แล้วก็อย่าหาหาเหตุว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ถ้าทําอะไรให้กับแม่ได้ก็รีบทําเสียเถือว่าเป็นบุญพ่อแม่เนี่เหมือนพระอรหันต์ของลูกๆได้ทําบุญกับพ่อแม่ก็เท่ากับได้ทําบุญกับพระอรหันต์ได้บุญมาก อย่าน่นอย่าไปปฏิเสธการช่วยเหลือแม่หรือพ่อเนี่ยถ้าพ่อแม่ต้องการอะไรที่มันไม่ได้เป็นของของหลอกนะควรจะทำถ้าเป็นของหลอกถ้าเรารู้ว่าหลอกกันก็ไม่ต้องทำบ้างก็ได้คำ ถ, ถามจากคุณอัมพาจะทำอย่างไรให้มีส ต, ติอยู่เสมอคะส ต, ติกับปัญญามันอยู่คู่กัน มีวิธีไหนทั้งสติและปัญญาจะอยู่คู่เราเสมอเจ้าคะเออตอนต้นต้องเอาสร้างขึ้นมาที่เราตัวก่อนตอนต้นสร้างสติก่อนเช่นบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่ากำลังอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไร <c oughs> ก็ให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจก็จะไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นใจก็จะมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ต่อไปพอเรามีสติแล้วเราก็ เราก็สามารถเอาสตินี้มาบังคับความคิดให้คิดไปในทางปัญญาคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดตามความเป็นจริงเช่นคิดว่าคิดตามที่พุทธเจ้าสอนให้คิดให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเวลาเราเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสกับอะไรก็บอกใจว่านี่ไม่เที่ยงนะมาแล้วเดี๋ยวก็ไปนะได้ของมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปนะได้ทำสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็หมดนะ เช่นวันนี้ได้ไปเที่ยวเดี๋ยวก็หมดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เที่ยวแล้วนะให้สอนอย่างนี้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับเวลาที่เราไม่ได้หรือเราเสียสิ่งที่เราได้มาเราจะได้ไม่เสียใจคํจาถามจ้าคุณดีดีค่ะมรรคผลอนาตาัตตาส่วนนิพพานไม่ใช่อะไรทั้งหมดหรือเปล่าครับมันก็ใช่แหละมันถึงพูดมันจะมาพูดกันได้ยังไง มักผลที่พามันก็เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาออคําถามจากคุณอดริสพรโยมเป็นจําพวกห่วงงานเวลากําหนดสมาธินึกห่วงงานเสมอจึงเกิดสมาธิยากเหลือเกินเจ้าคะ่ะจึงได้แต่อาศัยสวดมนต์ช่วยทุกวันนี้เหมือนเจอแต่ตอเดินผ่านลําบากขอคําแนะนําด้วยคะ่ะก็นั่นแหละก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นะ หนึ่งใจอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าเรื่องราวต่างๆมันมากที่เราต้องคิดก็พยายามลดกันบ้างทำงานให้น้อยลงเพราะยิ่งทำงานมากมันก็ต้องคิดมากถ้าไม่อยากจะคิดก็ลองลองลดงานดูลดจากร้อยหนึ่งเหลือห้าสิบเนี่ยลดมันลงไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะคิดน้อยลงไป จากคุณมาหาขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องน้สงและการชำระน้สงด้วยครับเราก็ไม่ทราบนะเท่าที่เราเข้าใจก็คือของในวัดต่างๆที่ญาติโยมอาจจะต้องมาใช้เนี่ยก็เป็นของของสงของวัดของที่ญาติโยมสร้างแล้วมอบให้กับให้กับสงแล้วยาติโยมก็มาขอใช้การใช้ก็เหมือนกันเราไปพักโรงแรมมาวัดก็เหมือนกับเราไปพักโรงแรม ไปพักโรงแรมเราก็ต้องจ่ายค่าพักค่าห้องพักค่าเช่าเอมาอยู่วัดก็เหมือนกันแล้วก็คิดว่ามาอยู่วัดเราก็ต้องมาเช่ามาจ่ายค่าพักเราก็เลยเป็นหนี้หนี้สงึ้ขึ้นมาไอ้คนไทยเราถึงเวลามาอยู่วัดนี่เรามักจะต้องทําบุญกันจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าบํารุงอะไรต่างๆเหล่า น, นี้ก็เลยเรียกว่าเป็นหนี้สงค์คำถามจากคุณขุนศึก ถ้าเราถือศีลแปดแต่แต่งทรงผมด้วยเจลอย่างนี้ผิดศีลไหมครับถ้าทำเพื่อความสวยงามก็ผิดศีลถ้าทำด้วยให้มันสะอาดเรียบร้อยก็ไม่ผิดศีลคำถามจากคุณป้อมลูกมีอาการปวดท้องมากจนจะเป็นลมคล้ายจะหมดแรงแต่พอลูกนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ว่าร่างกายเป็นใจอย่าไปเป็นลูกคิดว่าอยากไปเป็น ดูมันไปสักพักอาการนี้ก็หายไปนี่คือการใช้ปัญญาใช่ไหมคะใช่ใช้ทั้งปัญญาใช้ทั้งสติสติก็ดูไปปัญญาก็อยาก็อยากไปอยากให้มันหายมันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปดูมันไปแยกแยกใจออกจากร่างกายว่าใจเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันเป็นถ้ามันมีวิธีห้ามมันก็ต้องปล่อยมันเป็นไป ถ้ามีวิธีห้ามมันได้ก็ห้ามมันไปเช่นมียากินก็กินไปถ้าไม่มียากินก็มันมันจะเจ็บก็ต้องให้มันเจ็บไปแต่เราไม่ต้องเจ็บไปกับมันได้เราเจ็บเพียงครึ่งเดียวเจ็บที่กายแต่ไม่ต้องเจ็บที่ใจคำถามจากคุณบันทึกบุญพระอาจารย์เคยกับการอุทิศส่วนกุศลจําเป็นไหมที่ต้องเอ่ยนามครับก็ต้องเอ่ยถึงผู้ที่เขาจะรับเนี่ย เช่นคนตายไปแล้วเนี่ยเขาก็เราก็ต้องเอ่ยว่าขออุทิศให้กับนายนั้นๆา น, น, นี้มันจะได้ไปถึงเขาเพราะไม่นั้นมันก็เหมือนเขียนเช็คแล้วไม่ได้ใส่ชื่อเดี๋ยวเกิดใครรับเช็คใบนั้นไปเขาก็ไปเบิกได้ใส่ชื่อเขาได้คํถาถามจากคุณสิทธิ์ตาวันนี้วันครับผมถือสินแปดพรุ่งนี้วันธรรมดาผมต้องลาสินแปดกลับมาถือสินห้าหรือเปล่าครับ ก็ลาด้วยการด้วยการไม่รักษาก็ลาแล้วไม่ต้องทําพิธีลาอะไรหรอกเพียงแต่ทําความเข้าใจในใจแล้วว่าะจะรักษาศีลแปดวันนี้พอพรุ่งนี้เช้าพอวันใหม่ขึ้นมาก็จะเลิกรักษาก็ท่า น, นั้นเองไม่ต้องไปลาไปเดอะไรแค่รู้อยู่ที่ใจของเราก็แล้วกันว่าเราจะรักษาหรือไม่รักษาจะรักษาเมื่อไหร่นานเท่าไหร่ก็อยู่ที่ใจเราคําถามจากคุณจา เวลาที่จิตถอนตัวจากสมาธิหรือในชีวิตประจําวันตอนนี้รู้สึกสับสนว่าจะใช้วิธีการรู้ทุกคิดหรือดูจิตหรือจะน้อมจิตเข้ามาพิจารณากายเน่าเปื่อยผุพังพิจารณาความตายตอนนี้ใช้ทั้งสองวิธีค่ะบางทีรู้สึกสับสนว่าจะใช้วิธีไหนถ้านั่งปฏิบัติจะน้อมดูการเน่าเปื่อยถ้าในชีวิตประจําวันจะใช้วิธีรู้ความคิดค่ะค คือถ้าเราดูความคิดนี่เราต้องดูแล้วเราต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าดูแล้วหยุดความคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะคิดแล้วมันก็จะทําให้เราฟุ้งเราต้องการควบกลุ่มความคิดไม่ต้องการให้ใจฟุ้งอย่างั้นถ้าเราจะดูความคิดเราก็ต้องหยุดความคิดถ้าเราเห็นว่าเรากําลังคิดอยู่เราก็ต้องหยุดนอกจากความคิดที่จําเป็นจะต้องคิดถ้าความคิดที่ไม่จําเป็นต้องคิดก็อย่าไปคิดให้ดูเฉย หรือว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเราต้องคิดกับงานที่เราทําก็คิดไปเท่าที่จําเป็นต้องคิดแต่อย่าไปคิดเพ้อฝันว่าเอเมื่อไหร่จะได้แฟนใหม่ทันทะีเนาะเมื่อไหร่จะได้งานใหม่อะไรเหล่านี้อย่าไปคิดอย่างนั้นชี้จใจทำเองเลยหัวเราใหญ่มันโดนหลายคน นาอยากคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้อถ้าคิดต้องคิดเป็นงานเป็นการคิดด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าคิดดีกว่าทําใจให้ว่างๆจําใจให้สบายแล้วถ้าเวลานั่งเฉยๆอยากจะคิดเรื่องไหนเพื่อให้เกิดปัญญาก็คิดได้อยากจะคิดเรื่องอสุภะก็คิดได้คิดถึงร่างกายดูอาการสาสองของร่างกายไปอาจดูไปเป็นการสอนให้มองร่างกายอีกมุมมอง ตอนนี้เราไม่เคยมองเข้าไปข้างในร่างกายเลยใช่ไหมเราเห็นร่างกายใครก็เห็นแค่หน้าตาเห็นแค่รูปร่าง<ม>ต่อไปเราอาจจะหัดมองทะลุเข้าไปในผิวหนังเลยอัดดูโครงกระดูกเขาบ้างอาจดูกระโหลกศีรษะบ้างอาจดูปอดดูหัวใจหาจ ด, ดูลำไส้เขาบ้าง<ม>ต่อไปเราจะมองคนในอีกมุมมองหนึ่งคนหนึ่งเขาจะหลงไหลายข้างใครว่าสวยว่างงามนะกลับเห็นว่าเป็นผีดีๆนี่เอง <laughs> หมุสวยเลยเอาผีมาแต่งตัวหมดนได้ยังมีค่ะเเวลาหมดนหรือเปล่าคะอ่ากายเรเอาอีกสัก3ามคำถาม่าแล้วกันะรงท้ายคำถามจากคุณลาวันค่ะผู้รู้ผู้ตื่นมาความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะ ก็ผู้รู้นี่มีทั้งหลับและตื่นไงอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นผู้ตื่นแต่พวกเรายังเป็นผู้หลับอยู่เพราะพวกเรายังฝันเพ้อฝันกันอยู่พวกเรายังคิดปรุงแต่งฝันอยากได้อย่างนี้อยู่แล้วยังเป็นผู้หลับอยู่ยังไม่ใช่เป็นผู้ตื่นถ้าผู้ตื่นแล้วจะไม่อยากได้อะไรจะไม่เพ้อจะไม่ฝันเพราะรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าง่าอยากได้ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์กันคือผู้รู้พระพุทธเจ้าท่าน ไม่เพ้อไม่ฝันไม่อยากได้อะไรจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้ผู้หลับก็คือพวกเราผู้ที่ยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู <c oughs> อ่อีกสองข้อคําถามจากคุณโอมโมพระนิพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาครับอ๋อเป็นจิตที่จัดเบอร์สุดจะไม่มีคําว่าอัตตาหรืออนัตตาเป็นจิตที่ไม่มี ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยเราก็ไม่และไม่เรียกว่าเป็นอัตตาหรืเป็นอนัตตาคําถามจากคุณวิภาพรมีคนชอบแฟนเราและมาเกียดเรามักพูดจากระพกระแทดอยู่เรื่อยๆแต่ไม่โต้อตอบไม่สนใจเขาเรียกว่าเขาคือเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าคะก็ใช่คนไหนที่เขาเกียรติเราคนไหนที่เขามาทําให้เรามีความทุกข์ก็ถือว่า เป็นเจ้ากรรมนเวรแล้วแล้วอาจจะไปทําเข้ามาก่อนเขาเลยกลับมาทําเราวิธีที่จะรับกับเจ้ากรรมนายเวรก็คือเฉยๆไปอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่เพราะมันจะยืดเยื้อต่อไปถ้าเราไม่ไปตอบโต้ปล่อยให้เขาทําไปเดี๋ยวข้าหมดกำลังเขาก็เลิกไปเองเอาแล้วนะวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติ